ทีนี้ถ้าเป็นอะไรชื่อว่าสามะบัดนี้พระศาสดาผู้มีจิตอันพระเถระทำให้ทรงยินดีด้วยพยากรปัญหาแม้นี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปเหมือน น, อนัยะก่อนๆว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสามพระเถระก็กล่าวว่าติดโสเวทนาคือเวทนาสามก็ตามนัยะก่อนๆ น, นั่นแลคือธรรมะสามอย่างอื่นไม่ใช่ไม่มีแต่ถทนที่นี้ประสงค์เอาไปที่ เวทนาสามเนี่ยนะเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสามอย่างเหล่านี้ภิกษุเมื่อเบื่ อ, อหน่ายโดยชอบเนี่ยนะเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ที่ทําที่สุดวัตถทุก์ได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันธรรมะสามอย่างเป็นไฉนะ ธรรมะสมอย่างคือเวทนาสาดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมะสมอย่างเหล่านี้แหละพิสูจเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอ บ, ชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเห็นย่อมเป็นผู้ทําที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบัน คำนั้นใดเรากล่าวว่าปัญหาสาอุเทศสามวายกรณ์3ดังนี้คำนี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วเนี่ยนะในปัญหาข้อนั้นเพิ่งทราบว่าพิสุลสุขสัญญาความสำคัญว่าสุขด้วยการเห็นเวทนาทั้งสว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้เน้นวิปัสนาประเภทไหน เน้นทุกขานุปัสสนานะถ้าพูดเวทนาสามปั๊บให้รู้เลยว่าโอ้เน้นทุกขานุปัสนาแล้วก็เบื่อหน่ายคือนิพพิทาโดยมุกคือการพิจารณาเห็นเป็นทุกเนี่ยนะตามแนวพระบาลีที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเวทนาคือความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนั้นเรากล่าวว่าเป็นทุกขคือเวทนาทุกๆชนิดเนี่ยนะพระองค์ประมวลรวมว่าเวทนาทุกอย่างมันทุกหมดแหละเพราะงั้นถามว่าทุกขอย่างไงก็ถ้าเป็นทุกขเวทนาก็เป็น เป็นทุกขทุกอ่ะทุกขทุกขใช่ไหมทุกขเวทนานี้เป็นทุกขทุกข์สุขเวทนาเป็นอะไรวิปรินามทุกขส่วนอุเบขาเวทนาเป็นสังขาระทุกเพราะฉะนั้นเวทนาทุกอย่างนี้เป็นเป็นทุกขหมดเลยคือเป็นทุกขทุกเป็นวิปริณามะทุกข์แล้วก็เป็นสังขารทุกเนี่ยนะทั้นถ้าผู้ที่พิจารณาเห็นเวทนาทั้งสาเป็นทุกเนี่ยนะเขาก็จะเบื่อหน่ายเพราะอาศัยการเห็นโดยความเป็น ทุกเนี่ยนะเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าโยสุขขังทุกขโตอัทธะทุกขมะทุกขมตทักขิสัลโตอทุกขมะสุขขังสามตังอัททกขินังอนิจจโตเนี่ยนะผู้ใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกเห็นทุกเป็นดังลูกสอนเห็นอทุกขมะสุขที่มีอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะบอกผู้ใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกข เห็นทุกข์เหมือนดังลูกศรเห็นอทุกข์มสุขนั้นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะผู้ที่เห็นลักษณะนี้เนี่ยสามารถที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมั้นย่อมจะเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ย่อมบรรลุปรมัาถวิสุทธิ์ที่ได้เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไปว่าสเพสังคาราทุกขาติยถาปัญญายาปสติอัทานิพินทติทุเขยเอสมัคโหวิสุธิยา เมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเนี่ยนะเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหนายในทุกข์เนี่ยนะนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะเห็นเห็นสังขารทั้งหมดเนี่ยนะโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะสังขารทั้งปวงเนี่ยที่เห็นโดยความเป็นทุกข์คือทุกข์อะไรบ้างอ่ะจำไหมหนึ่งทุกขทุกขวิปริณามทุกข์แล้วก็สังขารทุกข์ และก็ถ้าจะให้ชัดอีกก็เห็นสุขเวทนาเนี่ยนะโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาเป็นเหมือนกับลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะถ้าตามเห็นลักษณะนี้มากๆอันนี้เป็นนะเป็นแนวทางให้ได้เกิดนิพพิทาว้างนั้นถ้าเห็นทุกทุกเป็นอุปนิสัยแก่นนิพพิธาเมื่อนิพพิทานั่นแหละเป็นเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอริยมรรคนั่นแหละทำให้ตลอะแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้สามารถทําให้แจ้งผนิพานได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อะไรเอ่ยชื่อว่าสามเวทนาสามก็เท่ากับประกาศทุกขานุปัสนาเนี่ยนะทบทวนนะสเปสตาหาลติทีกาเท่ากับแสดงอนิจจานุปัสนาเนี่ยนะคำว่านามกับรูปเท่ากับประกาศอนัตตานุปัสนาพูดเวทนาสามเท่ากับพูด ทุกขานนปัสสนานี่นะโอ้ได้วิปัสสนาไปเยอะแล้วนะเป็นอาหารของปัญญาจริงๆเลยนะทีนี้ต่อไปว่าด้วยอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่เนี่ยนะภษาสดาผู้มีจิตอันทเถระทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรปัญหาแม้อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปเหมือนในยะก่อนๆว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่ในปัญหาข้อนั้น ในฝ่ายพยากรปัญหาบางแห่งพระองค์เนี่ยนะประสงค์เอาอาหารสี่บางแห่งนี่เอาเป็นอาหารสี่นะอันนี้ถ้าตามปรถมมหาปัญหาสูตรนะอังคุตรนิกายทศกานิบาศข้อ27เนี่ยนะท่านเน้นไปที่อาหารสี่เหมือนที่พรงษ์ตรัสว่าดูกรพิสูทั้งหลายเนี่ยนะธรรมสี่อย่างเนี่ยนะเมื่อพิสุ เบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกําหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดทุกโดยชอบตรัสรู้โดยความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทําที่สุดวัตถทุก์ได้ในทิฏฐธรรมะเนี่ยนะธรรมะสี่อย่างเป็นไฉนคืออาหารสีเนี่ยนะอาหารสี่เพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุธรรมะสี่อย่างเหล่านี้แลเมื่อภิกษุเบื่อหน่ายโดยชอบคลายกําหนัดโดยชอบหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดทุกขโดยชอบเนี่ยนะ ตรัสรุ้ความเป็นธรรมะโดยชอบเป็นผู้ทําที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันธรรมะใดเรากล่าวว่าปัญหาสี่อุเทศสี่วยยกรสี่ดังนี้คำนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วอันนี้ผู้ตามปฐมมห า, ป, หาปัญหาสูตรนะในธรรมะหมวดสี่แต่บางแห่งเนี่ยนะบางแห่งคือในทุติยะมหาปัญหาสูตรเนี่ยนะอันนี้หมายเอาสติปทานสี่นนะว่า ภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วในคุณธรรมเหล่าใดย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้โดยลําดับคุณธรรมเหล่านั้นคือสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะเหมือนอย่างพระกะชังคลาภิกษุณีกล่าวไว้ในทุติยะมหาปัญหาสูตรอังคุตรนิกายทสกัณฐนิบาตในข้อยี่สบแปดเนี่ยนะว่าผู้มีอายุธรรมสี่ภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบ ตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบันในธรรมะสี่คือสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะผู้มีอายุในธรรมะสี่เหล่านี้แหละภิกษุมีจิตนะอบรมดีแล้วโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้โดยความเป็นธรรมโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้นะ คำนั้นใดพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าปัญหาสีอุเทศสีวยากรสี่คำนี้ดิฉันอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วสูตรนี้กระชังคลาพิสุนีเป็นผู้ผู้แสดงก่อนแล้วว่าพระองค์ก็รับรอง น, นะก็เลยเป็นพุทธพจน์ไปเนี่ยนะนทุติยะมหาปัญหาสูตรทศกัณนิบาตข้อ28ปดเนี่ยน ะ, ะนะปฐมมหาปัญหาสูตรหมายเอาอาหารสี่ทุติยมหาปัญหาสูตรหมายเอา สติปฐานสี่แต่ในที่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะในในในกุมารปัญหานี่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ในที่นี้การตัดภาวะตัณหามีได้เพราะตรัสรู้ตามและแทงตลอดอริยสัจสี่เหล่าใดเพราะเหตุที่อริยสัจสี่เหล่านั้นท่านประสงค์เอาแลว้วหรือเพราะเหตุที่ปัญหากรำรที่ท่านพยากรณ์ด้วยปริยายนี้เป็นอันพยากรณ์ดีแล้วทั้งนั้นเนี่ยนะ คือในที่อื่นๆก็ดีทั้งหมดแหละแต่ในที่นี้ประสงค์เอาอาริยสัตว์สี่จึงบอกว่าจัตตาริอริยสัจจานิเนี่ยนะคืออริยสัตว์ทั้งหลายนั่นเองคําว่าสีนี้กําหนดจํานวนว่าอาริยสัตว์ไม่มีเกินนั้นเนี่ยนะคำว่าอริยสัตว์เนี่ยนะาานยนะก็คือสัจจะที่เป็นอริยะคำว่าอริยสัตวนะสัจจะที่เป็นอริยะอธิบายว่าเป็นสัจจะที่ไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนเหมือนอย่างที่พระองค์ตัดไว้ว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายอาริยสัตว์สีเหล่านี้แหละเป็นของแท้ไม่ผิด ไม่แปรเป็นอย่างอื่นฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าอาริยสัจ ส, สีนี่นะอันคําว่าสัจจะของพระอาริยไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนนี้อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุใดท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าเพราะเป็นสัจจะอันโลกทั้งเทวโลกพึงดําเนินพึงบรรลุเพราะดําเนินไปในทางเจริญที่เข้าใจกันว่าฐานะที่ควรพยายามบ้างเพราะไม่ดําเนินไปในทางไม่เจริญบ้าง พระพุทธเจ้าพระปัเจกับพระุทธเจ้าและพระพุทธสาวกทั้งหลายที่รับรู้กันว่าเป็นพระอริยะเพราะประกอบด้วยอริยธรรมคือโพธิปทธิยธรรมสา็ประการย่อมแทงตลอดอริยสัตว์นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าอริยสัตว์เห็นไหมเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยสัตว์สี่เหล่านี้แล้วอริยสัตว์4ีเหล่านี้เป็นเนไหนคือทุกขอริยสัตว์ทุกขสมุทัยอริยสัตว์ทุกขานิโรธอริยสัตว์ทุกข นี่ราถาคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยนะอริยสัจสีเหล่านี้แหละพระอริยะ ท, ทั้งหลายย่อมแทงตลอด น, นะอริยสัจสีเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจเพราะพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายผู้ประกอบด้วยโพธิปัจจัยธรรมเนี่ยนะท่านแทงตลอดอริยสัจสี่เหล่านี้แหละเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นอันอนี้ก็เป็นสัจจะของพระอริยะนั่นเองเนี่ยนะที่พระอริยะทั้งหลายท่านแทงตลอดความจริงอย่างนี้แหละ อีกในหนึ่งชื่อว่าอริยสัตว์เนี่ยนะเพราะเป็นสัตจะของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นอริยะอันนี้เ น, น้นว่าอ้อริยสัตว์นี้ของพระผู้เทเจ้านะฟังกันเหมือนอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแตถาคตเป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัตว์เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นสัจจะของพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะในโลกของทั้งเทวโลกเป็นต้นนั้นเองอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะชื่อว่าอริยสัจแม้เพราะทําให้สําเร็จความเป็นอริยะเพราะอาริยสัจนั้นทรงรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วเนี่นยนะหมายว่าอริยสัจ น, นี่แหละทาให้เป็นให้เป็นผู้รู้ยิ่งเองว่างั้นหรือว่าให้สําเร็จความเป็นอริยะพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะ รู้อริยสัจเด็นะแล้วอริยสัจที่พระองค์รู้เนี่อรู้ได้ด้วยพระองค์เองเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะอริยสัจสีเหล่านี้แล่ตถาคตตรัสรู้ยิ่งเองตามเป็นจริงตถาคตจึงถูกเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์เนื่องจากพระองค์แทงตลอดอริยสัจทั้งสี่ประการเนี่ยนะความแห่งบทของอริยสัจสีเหล่านั้นมีดังนี้ ความตัดขาดภวะตันหาย่อมมีได้เพราะความตรัสรู้ตามนะถ้าสาวก็ตรัสรู้ตามใช่ไหมเพราะตรัสรู้ตามและแทงตลอดอริยสัจ4ี่เหล่านี้เนี่ยนะตรัสรู้ตามก็คือลักษณะของอนุโพธิญาณและปฏิเวทญาณเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงจะสามารถตรัสรู้อริยสัจได้เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทุกขาริยสัจนี้นั้นอันเราตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วนะ ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้อันเราตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแลว้วทุกขนิโรธอริยสัจนี้เนี่ยนนะอันเราตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแลว้วทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้อันเราตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแลว้วภาวะตันหาเราตถาคตก็ถอนได้แลว้วตันหาที่นำไปในภพก็สิ้นแลว้วบัดนี้ การเกิดอีกก็ไม่มีกันละว่างั้นแต่สิ้นชาติแล้วนะเพราะสิ้นการเกิดถามว่าทำไมจึงไม่เกิดทําไมจึงไม่มีชาติเพราะกรรมที่นําไปไปปฏิสนธิในชาติไม่มีถามว่าทำไมจึงไม่มีกรรมเพราะเนื่องจากภาวะตันหาที่เป็นตัวให้กรรมเนี่ยนะนําเกิดไม่มีแล้วทีนี้แล้วทําไมจึงละภวะตันหาได้เพราะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเพราะแทงตลอดทุกทุกขสมุทยัยทุกขานิโรธทุกขะ นี Aquí, haya, istic, nih, ่เ <ức fantastic. S 2> ราถาขามินีปฏิปทาอริยสัจแทงตลอดอริยสัจอย่างนี้ได้ก็ดับภาวะตัณหาถ้าดับภวะตัณหากรรมที่นําไปสู่ในภพก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการเกิดในภพใหม่ก็ไม่มีถ้าการเกิดไม่มีเรียกว่าชาติไม่มีชรามมรณาโศกกะปริเทวะทุกโทมนั์และอุปาญาตก็เป็นอันจบกันละมันกันเถอะสบายมากทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะฉะนั้นในปัญหาอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่ในที่นี้เน้นอะไรเน้นการละ ล ะ, ะไรเน้นการละภวะตันหาเนี่ยนะเน้นการละภวะตันหาคาว่าตันภาวะตันหาได้แก่ตันหาที่ยินดีในในภพเนี่ยนะตันหาที่ยินดีในภพเนี่ยนะภวะตันหาที่นําเกิดในภพที่แปดและที่นําเกิดในอบายเนี่ยนะภวะตันหาเหล่านั้นอันพระอะไรละได้พระโสดาบันละได้ภาวะตันหาที่นําเกิดเกินสองชาติไปเนี่ยนะพระสะกทาคามีละได้ ภาวะตันหาที่นําเกิดในกายมาพบเนี่ยนะพระอนาคามีละได้ภาวะตันหาที่พาเกิดในพบทั้งปวงที่เหลือเนี่ยนะผ้าอรหรันละได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอรหัตตะมัตเกิดขึ้นก็เพราะแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็ละภาวะตันหากิเลสที่เป็นเชื้อให้ปฏิสนธิในพบภูมิต่างๆได้เพราะฉะนั้นไอคําว่า อะไรเอ่ยชื่อว่าสเนี่ยนะได้แก่อริยาศาสตร์สี่เน้นไปที่ว่าละภวะตันหาได้เห็นไหมนี้ก็มาขึ้นปัญหาข้อต่อไปว่าอะไรชื่อว่าหาอะไรเอ่ยชื่อว่าห้าพระศาสดามีจิตอันพระเถระทําให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาแม้นี้แล้วจึงได้ตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปตามนัยก่อ น, อนๆว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าห้าเห็นไ คำว่าห้าพระิดทูลต่อว่าอุปาทานขันห้านะคำว่าห้าเป็นคำกําหนดจํานวนว่ามีไม่เกินห้าร้อยบางนันคําว่าอุปาทานขันคือว่าขันทั้งหลายที่ถูกอุปาทานให้เกิดมาหรือที่ทําอุปาทานให้เกิดเชื่อว่าอุปาทานขันเอาใหม่นะคือคําว่าอุอปาทานขันเนี่ยเป็นชื่อของขันที่ตัวตันหาตัวอุปาทานเนี่ยทาให้เกิดในชั้นต้นเนี่ยนะ อุปาทานนี่แหละเป็นตัวทําให้ขันเกิดนะทำให้อุปาทานขันเกิดแล้วอย่างทีนี้พออุปาทานขันเกิดแล้วนะอุปาทานก็อาศัยอุปาทานขันนี้เกิดอีกทิงเรีมันเพราะฉะนั้นที่ถูกอุปาทานให้เกิดแล้วก็ทําอุปาทานให้เกิดอีกครั้งอยงนั้นะชื่อว่าอุปาทานนักขันตัวมันเองก็เกิดจากอุปาทานอยู่แล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้อุปาทานอันใหม่เกิดมันก็อะไรนะงูกินหางอย่างนี้มีจบมีสิ้นเหมือนั้น เหมือนกับโซ่นะไปเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นสาสะวะคือยังมีอาสะวะนั่นเองหมายความว่ายังเป็นอารมณ์ของอาสะวะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเนี่ยนะอุปาทานิยะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันเหล่านั้นคาว่าอุปาทานขันเนี่ยองธรรมได้แก่โลกิยจิต แปเจตสิกที่ประกอบ52รูปทั้ง28พวกนี้ชื่อว่าอุปาทานขันธ์ส่วนมัคคิตผลจิตนี้ก็เป็นขันธ์เหมือนกันเนี่ยนะทั้งเจตสิกที่ประกอบก็เป็นขันธ์แต่ไม่เป็นอุปาทานขันธ์เพราะมัคจิตและผลจิตไม่เป็นอารามณปัจจัยของโลภะและทิฏฐิเนี่ยนะส่วนไอโลกิยจิตเจตสิกที่ประกอบเป็นต้นพวกนี้เป็นอารมณ์ของ เป็นอารมณ์ของอะไรเป็นอารมณ์ของโลภะได้หมดเลยเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของทิฏฐิได้หมดเลยนี้ต่อไปว่าพระเถระกล่าวว่าอุปาทานขันห้าตามในยะก่อนนั่นแลมิใช่เพราะไม่มีธรรมะห้ายังอื่นธรรมะอื่นห้านะมวลห้าก็มีเยอะแยะแต่ว่าท่านกล่าวไปที่อุปาทานขันห้าเนี่ยนะ เหมือนอย่างที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในปฐมมหาปัญหาสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าภิกษุเมเื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเนี่ยนะเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดทุกโดยชอบเนี่ยนะตรัสรู้โดยความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันธรรมะอย่างหนึ่งเอ่อธรรมะ ห้าอย่างเป็นไฉนคืออุปาทานขันห้าเนี่ยนะนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในธรรมะห้าอย่างนี้แลภิกษุเมื่อเบื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายกำหนัดโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมะโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคานั้นใดเรากล่าวว่า ปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวายกรหนึ่งดังนี้เราอาศัยคำนี้กล่าวแล้วเนี่ยนะคืออุปาทานขันหทีนี้เอาแล้วถ้าพูดขันห้าเนี่ยประสงค์จะแสดงอะไรต่อไปวก็ในปัญหาข้อนี้ภิกษุเมื่อพิจารณาโดยความเกิดและความดับเป็นอารมณ์เนี่ยนะคือเห็นขันห้าโดยความเกิดและความดับเนี่ยนะได้อมะตะด้วยวิปัสสนาแล้วย่อมทำให้แจ้งอมะตะคือนิพพาน โดยลําดับเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่ายะโตยะโตสัมมาสติขันธานังอุทยพยังละพติปาติปาโมทฉังอมตังตังวิชานตังเขาว่ากันที่เรณาเห็นความเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายโดยประการใดๆเนี่ยนะปีติและปราโมทก็เกิดขึ้นใช่ไหมคือถ้าเห็นเหตุเกิดและความดับก็จะได้ปีติและปราโมทเกิดขึ้นเนี่ยนะ แกผู้เห็นความเกิดและความดับนั้น น, นะผู้ที่เห็นแจ้งเหตุความเกิดและความดับของขันเหล่านี้นี่แหละเป็นอมาตะของผู้รู้แจ้งข้อความนี้ถ้าจะดูให้มากขึ้นก็ดูในคาถาธรรมบทเนี่ยนะดูในคาถาธรรมบทเพราะฉะนั้นคำว่าพิจารณาเห็นความเกิดเนี่ยนะขันทานังอุทยพยังเนี่ยนะอุทยะบวกวิยะเนี่ยนะอุทยะรูปขันห้าจะเกิดเกิดโดยอาการ 25่เนี่ยนะวยะเนี่ยนะขันหจะเสื่อมเสื่อมโดยอาการ25ถ้าพิจารณาเห็นเหตุเกิดความดับของอุปาทานขันห้าโดยอาการ50เหล่านี้แล้วก็จะเกิดปีติและปราโมทเนี่ยนะไอ้ปีติและปราโมทนี่แหละเป็นอมะตะของผู้ที่พิจารณาเห็นแจ้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปีติปราโมทอันนั้นเป็นอุปนิสัยให้ได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นความเกิดและความดับ เนีนะก็จะได้อมตะ ด, ด้วยวิปัสนาเนี่ยนะวิปัสนาที่เห็นเหตุเกิดและความดับนั่นแหละเป็นตัวที่ทําให้แจ้งซึ่งอมตต์คือพนนันิพานเนี่ยนะพออย่างที่พระ อ, องค์ตรัสไว้เลยนะในหลายๆสูตรเนี่ยนะนโดยเฉพาะในทุติยะทศพลสูตรเนี่ยนะสังยุตติกายนิทานวักพระ อ, องค์ตรัส บ, บอกว่าความสิ้นอาสวะนี่ยนะย่อมมีสําหรับผู้รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยนะเราไม่กล่าวความสิ้นอาสวะสําหรับผู้ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะ ถาว่ารู้อะไรเห็นอะไรความสิ้นอาสวะจึงมีได้เขาบอกว่ารู้เห็นว่านี้รูปนี้ความเกิดแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดแห่งเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทนานี้สัญญานี้ความเกิดแห่งสัญญานี้ความดับไปแห่งสัญญาเนี่ยนะนี้สังขารนี้ความเกิดแห่งสังขารนี้ความดับแห่งสังขารนี้วิญญาณนี้เหตุเกิดของวิญญาณแล้วก็นี้ความดับแห่งวิญญาณเนี่ยนะแล้วในอัตตกะทะก็อธิบายถึงอ่ะนี้รูป ก็เท่ากับแสดงรูปโดยลักษณะที่จตุกะโดยลักษณะโดยภูตูรูปและอุปาทายรูปอย่างที่แสดงวางั้นนะนะท้งโดยรูปปัณณลักษณะหมดเลยนี้เหตุเกิดของรูปก็เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิ้พติลักษณะคือลักษณะที่เกิดของรูปถ้าความเสื่อมไปของรูปอ่ะก็เพราะอวิชชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูป จึงดับเนี่ยนะแล้วก็วิปริณามลักษณะเนี่ยนะคือลักษณะที่แปรปลุนไปแห่งแห่งรูปเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็โดยนัยเดียวกันส่วนเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะต่างโดยเขาว่าเพราะอาหาเพราะภาษาเกิดเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารจึงเกิดเพราะภาษาดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงดับส่วนวิญญาณวิญญาณนั้นเพราะนามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะนามรูปดับวิญญาณจึง จึงดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาการพิจารณาเหตุเกิดและความดับของอุปาทานขันห้าเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นวิธีที่จะได้อัมตะวังนั้นอมตะจะได้ด้วยวิปัสนาคือการเห็นแจ้งเหล่านี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าห้าได้แก่อุปาทานขันห้าถ้าพูดถึงอุปาทานขันห้าเน้นไปที่เน้นอะไร ความเกิดและความดับเนี่ยนะเห็นเน้นไปที่ความเกิดและความดับทบทวนนะว่าอะไรชื่อว่าหนึ่งสัพเพสตาหารติติกาเน้นอะไรเน้นความไม่เที่ยงเนี่ยนะอะไรเอ่ยชื่อว่าชื่อว่าสองนามรูปอันนี้เน้นอะไรเน้นความเป็นอนัตตาเนี่ยนะอะไรเอ่ยชื่อว่าสามได้แก่เวทนาสามอันนี้เน้นอะไรเน้นทุกเนี่ยนะอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่ คืออริยสัจสีนี่เน้นอะไรเน้นการตัดขาดภาวะตันหาอะไรเอ่ยชื่อว่าห้าคืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้ามุ่งไปที่ให้พิจารณาความเกิดและความดับเนี่ยนะนี่ก็มาขึ้นปัญหาที่หบังอะไรเอ่ยชื่อว่าหกว่ากันพระศาสดาผู้มีจิตอันเถระทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์แม้นี้อย่างนี้แล้ว จึงถัดถามปัญหายิ่งขึ้นไปโดยนย ต, ตามในก่อนว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหพระธิระกล่าวซ้ำว่าฉะเนี่ยแปลว่า6จึงทูลว่าอายตะตณนภายใน6ในคำเหล่านั้นคำว่าฉะคือ6เนี่ยนะเป็นการกำหนดจำนวนอายะตะนะทั้งหลายที่ประกอบในภายในเนี่ยนะคำว่าอัจฉติกะเนี่ยนะแปลว่าอายตะตะนที่ประกอบในภายในเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะประกอบในภายใน หรือว่ากระทําตนให้เป็นที่อาศัยชื่อว่าอัชตะเนี่ยนะทำตัวเองนั่นแหละให้เป็นที่อาศัยเพราะนั้นคำว่าอัชติกะคือที่ประกอบในภายในกระทําตนให้เป็นไปเนี่ยนะหรือว่ากระทําตนให้เป็นที่อาศัยเนี่ยเป็นไปเลยชื่อว่าอัชติกะเนี่ยนะคือภายในนั่นเองอ่ะนะชื่อว่าอาย ต, ตนะเพราะต่อหรือเพราะก่อความเจริญอ่าสับว่าอายต น, นะนะ แปลว่ามันก่อขึ้นหรือว่ามันก่อความเจริญหรือเพราะนําสังสารทุกข์ยืดมาให้นะนะแปลว่านําสังสารทุกมาสยืดยาวเลยน ะ, ะคำว่านี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของจกนะักขุโสตะคานะเชิวหากายะและมณะนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นชื่อของอ่นนะนะอจติกายตนะหรืออายตนะภายใน ก็ในที่นี้พระเถระกล่าวว่าอายตนะภายใน6ตามนัยก่อนไม่ใช่กล่าวเพราะไม่มีธรรมะ6อย่างอื่นธรรมะมวด6มีเยอะแยะไปแต่ตรงนี้ท่านประสงค์เอาอายตนะภายใน6เนี่ยนะเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปฐมมหาปัญหาสูตรเนี่ยนะอังคุตรรนิกายทัศกานิบาทว่าดูกรพิสูน์ทั้งหลายธรรมะหพิกษุเมื่อเบื่ อ, อหน่ายโดยชอบเนี่ยนะ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 ย่อมเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคำนั้นใดเรากล่าวว่าปัญหาหกอุเทศหกวายกรหกดังนี้คำนี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วคืออาศัยอายตนะภายใน6กล่าวแล้วนั่นเองก็ในปัญหาข้อนี้ภิกษุพิจารณาเห็นพิจารณาอายตนะภายในหกโดยความเป็นของว่างอันนี้มาจากบาลีว่า สุญญาตาเนีนความว่างอะเป็นของว่างนั่นเองตามพระบาลีว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคําว่าสุนโยคามมบ้านว่างนี้เป็นชื่อของอายตนะภายใน6เพราะฉะนั้นอายตนะภายในหนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือนว่างก็บอกอันนี้ก็เหมือนในอาศีวิสาสูตรก็ได้นี่นะอาศีวิสาสูตรเป็นต้นเนี่ยนะมี นะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเรือนว่างนี่เป็นชื่อของอายตนะภายในคือตาก็เป็นเหมือนกับเรือนว่างหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ละอย่างก็เหมือนกับเรือนว่างนั่นเองคือโดยความเป็นของเปล่าและโดยความเป็นของลวงเหมือนกนะันไอ้คาว่าเปล่าเนี่ยตามีอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นหรอกหูจมูกลิ้นกายใจก็เปล่าเนี่ยนะไม่มีใครอยู่ในนั้นหรอกแล้วก็ความเป็นของลวงด้วยนะียโดยเฉพาะ มายากลเนี่ยนะความเป็นของลวงเพราะตั้งอยู่ได้ไม่นานเนี่ยนะแต่ละอันเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่นานเหมือนฟองน้ำฟองน้ำเนี่ยเกิดแล้วก็แตกสลายไปเหมือนกับพยับแดดเพราะเป็นของว่างเปล่าดูเหมือนจริงแต่ไม่ใช่ฟังกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอายตนะภายในหเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของลวงเป็นของตั้งอยู่ไม่นานเป็นเหมือนกับฟองน้ำเป็นเหมือนกับพยับแดดก็นายก็นายทำที่สุด ทุกโดยลำดับย่อมเข้าถึงที่ซึ่งมัจจุราชมองไม่เห็นเนี่ยนะก็เข้าถึงที่มัจจุราชมองไม่เห็นมัจจุราชไม่เห็นอะไรมัจจุราชนี้ไม่เห็นรอ้องนิพานเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ตรัสว่ายะถาปุพุรกังปัสเสยะถาปัสเสมรีจิกังเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชานัปสติมัจจุราช ย่อมมองไม่เห็นผู้ที่มองเห็นโลกเหมือนฟองน้ำเหมือนพยับแดดฉะนั้นความตายมองไม่เห็นนะถ้าเห็นโลกคืออายตนะภายในคือตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะเหมือนฟองน้าคาว่าฟองน้ำเพราะอะไรเพราะมันเกิดแล้วก็แตกไปเนี่ย น, นะเมื่อไหร่นะจะเห็นตาเหมือนฟองน้ำหูเหมือนฟองน้าจมูกเลนกายและใจเหมือนกับฟองน้ำหรือว่าตาหูจมูกเลนกายใจเนี่เหมือนกับ พยับแดดเหมือนกันแเพราะมันของว่างของเปล่าดูเหมือนจริงแต่ไม่ใช่นะเป็นของที่เกิดชั่วระยะช่วงหนึ่งเท่านั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่พิจารณาเห็นอายตนะภายในหกโดยความเป็นของสูหรือของว่างของเปล่าว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตราว่างจากความงามว่างจากความยั่งยืนเป็นต้นมัจจุราชก็มองมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นปัญหานะปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหกก็คือ อายตนะภายในหกอายตนะภายในหกเน้นอะไร น, นะความเป็นของว่างว่างนั้นมีไหมล่ะอายตนะภายในมีไหมมีแต่มันว่างอคำว่าว่างคือไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยมีใครอยู่ในตามไหมมีใครอยู่ในหูจมูกเลนกายหรือว่ามีใครอยู่ในใจไหม มันมีแต่ว่าสภาวะนั้นมีแต่ว่าไม่มีอัตาอยู่ในนั้นเลยหรือว่าบริขารของอัตาอันใดอันหนึ่งไม่มีเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่าของว่างก็ว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากความงามเนี่ยนะว่างจากความที่ไม่แปรปลวนคือสรุปมันแปรปลวนแน่นอนเนี่ยนะมันไม่มีแก่นสารเลยว่า ง, งั้นแต่เหมือนฟองน้ําเหมือนพยับแดดเนี่ยนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกาเนี่ยเป็นรูปประคันรูปประคันเหมือนอะไร มืนฟองน้ำใช่ไหมเหมือนฟองน้ำเนี่ยนะถ้าวิญญาณขันเหมือนอะไรมายากลเนี่ยนะทีจริงแล้วถ้าพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะอุปาทานขัน5เท่ากับแสดงครบแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นของว่างเหมือนกับฟองน้ําเหมือนกับพยับแดดเหมือนกับต่อมน้ําเหมือนกับกาบกล้วยเหมือนกับนักมายากล